การปฏิบัติจริงมันไม่ยากอะไรนะนี่เราส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะไม่รู้หลักเคิดแต่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้เราไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้หน้าที่เราแค่เรียนรู้เท่านั้นเองเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรียนรู้ตัวเองนั่นแหละไม่มีหน้าที่อย่างอื่นหรอก บางทีครูบาอาจารย์เนีบอกภาวนานะไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปได้สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวถ้าเสียก็เสียมิจฉาทิฏฐิซึ่งไม่น่าเสียดายสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทาอะไรจะเอาไปหาอยู่หากินเลยก็ไม่ได้หรอกนั่เราภาวนาเพื่อได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นถูกเท่านั้นเอง พอเรามีความเห็นถูกแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเพราะพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ากับความเห็นผิดเลยความเห็นผิดเป็นสิ่งที่มีโทษร้ายแรงที่สุดพาให้เราจมอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้จักทางออกคําว่าปฏิบัติธรรมนะเราลืมคําว่าปฏิบัติภาษาไทยซะปฏิบัติภาษาไทยว่าทำํำทำโน้นทนํานี้ปฏิบัติงานทํางาน การปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการเรียนรู้ฉขีดวงให้ดีว่าหน้าที่เราแค่เรียนรู้เท่านั้นเราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจว่าจริงๆกายนี้เป็นยังไงจริงๆใจนี้เป็นยังไงมันเป็นตัวเราจริงหรือเนี่ยเบื้องต้นจะดูตัวนี้ว่ามันเป็นตัวเราจริงหรือเราก็ดูนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจถ้าใจลอยไปเราก็มาดูความจริงของกายของใจไม่ได้ เราอย่าไปดัดแปลงกายเดิไปดัดแปลงใจแค่รู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าไปดัดแปลงมันเดินก็เดินธรรมดานี่แหละที่เคยเดินท่าไหนก็เดินมันท่านั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเดินแปลกๆนั่งท่าไหนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะจะนอนพอนาได้ทั้งนั้นแหละแต่แต่นอนเนี่ยเป็นอิริยาบถ ท, ที่ร่อแหลมต่อการหลับนะขาดสติง่าย ครูบาจางก็เลยไม่ค่อยสอนสอนให้ยืนให้เดินให้นั่งอย่างงี้ถ้าชำนาญจริงนะนอนก็ได้หลวงพ่อเคยนอนนะเคยได้ดีเพราะการนอนด้วยแถมนอนจะดิกเท้าด้วยนะตัวแล้วไม่มีอะไรน่านับถือสักอย่างเดียวเลยนอนดิกเดินจงกรมไม่ไหวอะเมื่อยนอนนอนขยาเล่นแก้เมื่อยนอนนอนไปปุ๊บมาไ กัญญามันทะลุลงมาในกายโอ้ตัวทุกข์เท่านั้นเลยงั้นจนําไว้นะหน้าที่เราคือเรียนรู้เรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจจะเรียนรู้ได้ก็ต้องไม่ใจลอยถ้าใจลอยแล้วลืมกายลืมใจจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องไม่ไปดัดแปลงกลายดัดแปลงใจต้องดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงอย่าไปดัดแปลงอย่างเวลาเราฝึก บางคนจะใช้อานาปนานสติจะฝึกสติด้วยการรู้ลมหายใจหายใจมาตั้งแต่เกิดนะไม่เหนื่อยนะพอฝึกอานาปนานสตินะ่จะขาดใจตายแล้วเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะแทรกแซงการหายใจไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจของเราเองเดินชอปปิ้งตั้ง4ี่หชั่วโมงเดินได้นะเดินเช้ายันเย็นเดินได้เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนะจะพิการแล้วจะเด้งแล้วไม่ได้แกล้งด้วยนะจะเด้งจริงจริงเพราะเดินดัดจริศ เดินผิดธรรมชาติเนนะเคยเดินท่านี้ก็ต้องเดินท่านี้อนะไรเงี้ยตัวก็นั่งสมาธนะินั่งสลังยอกเลยภาวนาสัคอเคล็ดเลยนะเราไปติดการบังคับตัวเองคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็บังคับกายบังคับใจทุกทีไปนะซึ่งผิดที่ถูกก็รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นใครพยักหน้าบ้างตอนนี้รู้สึกหมร่างกายพยักหน้า เห็นไหมร่างกายมันพยักหน้ามันไม่ใช่เรานะร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูเพราะมีใจเป็นคนดูปุ๊บร่างกายยังไม่ใช่เราแล้วเพราะฉนตรงที่ฝึกให้ได้ใจเป็นคนดูนี่แหละสาคัญเรียกว่าฝึกให้ฝึกจิตตะศิขาถ้ามีจิตตะศิขาที่ถูกต้องนะใจจะเป็นคนดูขึ้นมาค่อยๆฝึกฟังที่หลวงพ่อเทศนะกระวนเวียนอยู่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสําคัญ จำเป็นต่อความพ้นทุกเรื่องอื่นๆไม่จําเป็นต่อความพ้นทุกเท่าไหร่หรอกมาฝึกจิตฝึกใจให้มันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเรียกว่าเตรียมใจให้พร้อมเพอใจมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วดูไกลทํางานดูใจทํางานไปเห็นขันแต่ละขันมันทํางานไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลก็ส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนเป็นคนดู ร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนกินอาหารขับถ่ายร่างกายทําหน้าที่ของร่างกายจิตใจก็ทําหน้าที่ของจิตใจนะความสุขความทุกข์เนี้ยความสุขความทุกข์ก็ทําหน้าที่ของความสุขความทุกข์เนี่ยความสุขก็เกิดที่กายเดี๋ยวก็เกิดที่ใจความทุกข์เดี๋ยวก็เกิดที่กายที่ใจนี่ก็ทํางานของเขาเองกุศลอกุศลเขาก็ทํางานของเขาเองไม่ได้สั่งให้โกรธมันก็โกรธไม่ได้สั่งให้โลภมันก็โลภ โกรธแล้วสั่งให้หายโกรธมันก็ไม่หายสั่งไม่ได้แล้วดูเขาทํางานไปเขาทําหน้าที่โกรธ <grade> เวลาความโกรธเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันนะเพความโกรธเขาทาหน้าที่ของเขาเราอย่าไปเกลียดเขาเราแค่รู้เท่านั้นความโกรธนันน่าทำงานของมันความโลภมันก็ทํางานของมันสติก็ทําหน้าที่ของสติสมาธิก็ทําหน้าที่ของสมาธิปัญญาก็ทําทหน้าที่ของปัญญา สติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่รู้ทันอารมณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นมานะอะไรปรากฏขึ้นมาผ่านมาปุ๊บรู้ทันเลยนะเหมือนจับตามองมันมองโดยที่ไม่ได้เจตนาสมาธิก็ทำหน้าที่มันเป็นความตั้งมั่นมันคล้ายๆจิตมันมีบ้านอยู่อยู่ในบ้านถ้าเป็นทหารก็คล้ายๆอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายนะคอยถือปืนคอยสำรวจอะไรจะผ่านมาหน้าค่าย ป้อมเราอยู่บ้านเหมือนเราอยู่ในบ้านเราสบายๆเนี่ยจิตที่มีสมาธิเหมือนจิตอยู่ในบ้าน <im> เห็นคนผ่านหน้าบ้านมาคนนี้หน้าตาหน้าดูคนนี้หน้าเกลียดคนนี้หน้ากลัวอะไรเนยเราอยู่ในป้อมตัวที่ไปรู้ทันว่ามีอะไรมานี่เรียกว่าสติตัวที่มันมีบ้านอยู่เนี่ยไม่หนีไปไหนนะอยู่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นก็เป็นมีสมาธิอยู่ ส่วนปัญญาก็ทําหน้าที่ของปัญญาคือเข้าใจเข้าใจความจริงของกายเข้าใจความจริงของใจสติทําหน้าที่ระลึกรู้รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอรู้นะมันคล้ายๆเราจับมันได้แล้วว่าผู้ร้ายมาแลจับไม่ได้นะสติทําหน้าที่จับปัญญาทําหน้าที่ตัดนะไม่ต่างกันความโกรธก็ทําหน้าที่ของความโกรธคือผลักทําหน้าที่ผลักอารมณ์ กระตุ้นให้ใจเนี่ยผลักอารมณ์ปฏิเสธอารมณ์ความโลภก็ทําหน้าที่ของความโลภทําให้ใจดึงอารมณ์เข้ามาชอบอันนี้ดึงเข้ามาหาเราไม่อยากให้หลุดไปเนะนี่ยทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะในธาตุในขันเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายนะล้วนแต่ทําหน้าที่ของตัวเองศรัทธาก็ทําหน้าที่ของศรัทธาวิริยะความเพียรก็ทําหน้าที่ของวิริยะ สติทำหน้าที่ของสติสมาธิปัญญาต่างคนต่างทำหน้าที่ฮิริความละอายแก่ใจนะก็ทำหน้าที่ของฮิริอดตระปะความเกงรงกลัวผลของบาปก็ทำหน้าที่นตนทุกอย่างมีหน้าที่ของตัวเองหมดนะปีติก็ทำหน้าที่ได้ไหมปัตสัตธิความสงบระงับก็ทำหน้าที่คล้ายๆผลัดกันทำหน้าที่นะช่วยกันทำหน้าที่ผลัดกันช่วงชิงกัน ระหว่างความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายชั่วแต่ว่าไม่ว่าดีหรือชั่วก็มีหน้าที่ของตัวเองอย่าไปเกลียดครับ <altre> ให้ดูเข้าไปให้เห็นเลยเขาไม่เที่ยงดี ก, ng, ก, ng, ก, ng, ก, ก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงทุกอย่างล้วนแต่ถูกบีบขั้นให้สลายตัวไป <S <S สุขก็อยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทนอยู่นานไม่ได้เนื่อว่าเป็นทุกขัง มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้นะไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์เขาเรียกว่าอนัตตาเนี่ยดูความจริงนะแต่เบื้องต้นมันจะเห็นว่าธาตุขันอะไรต่างๆสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราไปรู้ไปเห็นเกนะ็มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปคําว่าตัวเราตัวเราตัวตนนะอัตตาตัวตนเนั้นหมายถึงตัวตนถาวรไม่มีหรอก สิ่งที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่เกิดเป็นคลาวลนี่สักยะทิฐิรู้สึกว่ามีตัวมีตนจะเกิดเป็นคลาวๆนะสักยะทิฐิไม่ได้มีตลอดเวลาอวิชาก็ไม่ได้มีตลอดเวลาจิตบางดวงก็มีอวิชาก็บังดวงก็ไม่มีนะจิตที่ไปดูรูปนี่ไม่ได้มีอมวิชาก็จิตที่มีอมวิชานี่เป็นจิตที่เสพอารมณ์ได้คิดนึกปรุงแต่ง ตัวสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราก็เกิดเป็นคลาลไม่ใช่เกิดตลอดเกิดแล้วดับต่างหากรู้สึกไหมมีเรามีเรามีเราเป็นคลาลนั่นแล้วก็ดับเะงั้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราถาวรตรงที่เห็นว่ามีเราถาวรนะเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิตรงที่เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีเราถาวรก็ล้างสักกายทิฏฐิไปทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร เนี่ยหัดดูของจริงนะสุดท้ายมันก็จะเห็นนะครัไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนทารวมมีแต่ของชั่วคราวเพราะ้นเวลาที่เห็นธรรมะนะได้โสดารู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็คือไม่มีอะไรทาวมทุกอย่างหนึ่งของชั่วคราวไม่มีตัวๆๆตนทารวมนี่กละสะกักยทิถิถัดจากนั้นก็ดูไปเรื่อยนะก็จะเห็นเลยสิ่งที่มีอยู่นั้นมีอะไร ถ้ายังไม่เป็นก็สิ่งที่มีอยู่ก็มีร่างกายมีสุขมีทุกข์มีโลภมีโกรธมีหลงมีดีนะมีจิตที่ไปรู้แต่ถ้าปัญญาแก่กล้ากว่านั้นเห็นสิ่งที่มีอยู่คือทุกข์ทั้งนั้นเลยตัวรูปนี่ก็ทุกข์นะทุกข์แบบรูปเวทนาความสุขทุกข์ก็ทุกข์ของมันเองนะก็มันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยตัวความปรุงดีปรุงชั่วก็ทุกข์นะปรุงดีทุกข์ไหม อยากเป็นคนดีทุกไหมอยากได้มรรคผลทุกไหมอยากได้มรรคผลว่าปรุงดีทุกนะทุกลำบา ก, กว่าอยากทาชั่วซิอิงอยากทาชั่วสบายอยากดีแล้วทุกซิอิงงั้นจะคหอยภาวนานะจะรู้เลยถึงจุดสุดท้ายนะจะรู้ว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไป ถ้าเห็นได้ถึงอย่างนี้อย่างแท้จริงนะจะเป็นพระอรหันต์ในขนาด น, นั้นลนะในอีกไม่กี่ขนาดจิตตัดจากนั้นจะเป็นพระอรหันตนะ์ละตรงที่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะนะั้นตรงที่รู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่นะก็จะ ล, ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดมรรคเมื่อนั้นงั้นตรงที่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะก็ะจะเกิดมรรคครั้งสุดท้ายนี อ, อหรหัตมรรคนี่อรหัตมรรค ถัดจากนั้นขณะเดียวเท่านั้นเองก็จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วสัมผัสความสุขของพระนิพพานสามขณะสองขณะสมขณะนิดเดียวแล้วจิตถอยออกมากลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้จิตจะทวนถ้าไปดูเลยไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วจะรู้อะไงานเสร็จเสร็จแล้วเพราะจิตเนี้ยไม่เข้าไปจับอะไรอีกต่อไปแล้ว ขันส่วนขันนะจิตส่วนจิตพรากออกจากกันไม่รวมเข้าด้วยกันอีกแล้วถัดจากนั้นเวลาปฏิบัติทำนะก็ปฏิบัติอย่างเดิมเคยเดินจงกรมก็เดินเคยนั่งก็นั่งไปนะอย่างเดิมแต่ว่าจิตไม่เหมือนเดิมจะเพราะว่าขันกับจิตเนี่ยแยกกันตลอดเลยไม่รวมกันอีกต่อไปละครูบาอาจารย์ท่านเทียบบอกเหมือนเอากะทินะน้ำกะทิามาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำมันน้ำมันน้ะไม่กลับไปเป็นกะทิแล้ว ในจิต ท, ที่มันเขี่ยวกล่ําด้วยศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะบารมีเต็มผลทุกไปแล้วหมดความยึดถือในขันห้าไปแล้วเนี่ยไม่กลับมายึดอีกแล้วทําไงก็ไม่รวมกันอีกละจะพลาดก็จากการเด็ดขาดเลยเมื่อไหร่จิตเข้าไปจับขันห้าเมื่อ น, นั้นทุกตัวจิตนั่นแหละตัวทุกขทุกเบอร์หนึ่งคือตัวจิตซึ่งตัวนี้ลึกซึ้งที่สุดเลยกระทั่งจิตยังปล่อยวางจิต จะรู้สึกกับจิตก็เหมือนไม่ใช่จิตหลวงปู่ดูลยเคยสอนอยู่ประโยคนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตถ้ารู้แจ้งตัวนี้นะที่สุดของทุกข์ละกลายเป็นธรรมล้วนๆเป็นธรรมธาตุจิตแป่สภาพเป็นธรรมเป็นธาตุเป็นธาตุ ร, ร, ร, ร, รู้อีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่สงธรรม มันอิ่มมันเต็มไม่มีความหิวอีกต่อไปแล้วในใจใจของเราหิวไหมหิวอะไรใจหิวอารมณ์อาหารของใจคืออารมณ์อยากดูรูปใจมันหิวใจมันอยากใช่ไหมตาอยากเห็นรูปไหมตาตาไม่ได้อยากเห็นรูปใจมันอยากเห็นใจมันหิวตาไม่ได้หิวหูไม่ได้อยากได้ยินเสียงหรอกใจมันอยาก ง่ยใจเราหิวตวลอดเวลาเลยเวลาใจมันหิวนะมันมีความทุกข์นะง่าใจมันเต็มใจมันอิ่มมันไม่มีความทุกข์อีกละฝึกเอานะไม่ยากหรอกตั้งใจไว้ชั้นนี้อย่างน้อยขอโสดานะอไม่ต้องมากมากขอพระรหัสนี่ก็ยาวหน่อยเดี๋ยวท้อแท้สะก่อนชั้นนี้ขอแค่โซดาก่อนนะถ้าได้โสดาแล้วค่อยขยบขยบไปค่อยค่อยเพิ่ม เอาทีละเก้าบางคนไปถามครูบาอาจารย์ทําไงผมจะละกามได้ละกามได้ไงสักกายทิฏฐิยังไม่ละเลยต้องถามใหม่ทําไงผมจะละสักกายทิฏฐิได้ต้องอย่างนี้ทําไงผมจะละความเห็นผิดว่ามีตัวผมอยู่ได้เขาเห็นถูกสิว่ามันไม่มีดูลงไปสิสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราร่างกายนี้เราเคยคิดว่าเป็นเราดูไปสิมันเป็นเราจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่วัตถุหรอก ความสุขความทุกข์เมื่อก่อนเราสุขเมื่อก่อนเราทุกข์นะหัดดูไปก็เห็นเลยสุขก็อนหนึ่งทุกข์ก็อันหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับใจไม่ใช่เราหรอกกุศลอะกุศลก็ไม่ใช่เราไม่มีเราตรงไหนเลเฝ้าดูไปดูซ้าแล้วซ้าอีกนะวันหนึ่งใจก็แจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกะจะเริ่มดูจากกายก็ได้ดูจากใจก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแต่สุดท้ายมันก็ลงที่เดียวกัน อใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนค่ะก็พยายามตามรู้ว่าเราทำอะไรทุกวันนะคะสังเกตใจใจเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมดูออกไหม ใ, ใจมันโปร่งโล่งเบาสบายใจมันเป็นคนดูไปดูหน้าก็เหมือนกันนะหน้าก็ไม่เหมือนเดิมดูออกไหมเนี่ยดูได้นะมันออกมาทางร่างกายนะ นี่แค่ขันแยกนะเพิ่งเริ่มเห็นขันแยกเห็นขันแสดงใจรักตัวรู้เด่นขึ้นมันยังเปลี่ยนแปลงขนาด น, นั้นถ้าวันใดปัญญาแก่รอบเห็นขันไม่ใช่เราเนนมันจะเปลี่ยนไปอีกนะเปลี่ยนไปอีกถ้าวันใดเห็นว่าขันเป็นทุกข์จิตสลัดขันออกเปลี่ยนไปอีกนะพวกเราใครรู้สึกว่าหน้าเราเปลี่ยนบ้างมีไหมสองกระจก แก่ลงหัวงอกมากขึ้นหนังเหี่ยวเยอะขึ้นเนี่ยดิฉันเห็นหน้าดิฉันเปลี่ยนพูดคนละวัตถุประสงค์เวลารู้สึกตัวหน้าจะเปลี่ยนนะงั้นไม่เห็นจะต้องใช้เจตงเจตโตเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วนะถ้าเจตโตเนี่ยไม่ต้องใช้ตาดูจาเป็นอยู่อเมริกานึกถึงเอาอย่างนี้ หรืออยู่คนละพบเป็นเทวดาเป็นมนุษย์รู้จิตอไอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ตาดูแต่ยงพวกเราเปนเปลี่ยนทางฟิสิกอ์นะเปลี่ยนหน้าจะใสแค่รู้ตัวขึ้นมาก็น่าเริ่มใส่ล้นะพอนานไปเรื่อยๆนะมันใสถึงกระดูกเลยกระดูกกะใสนะเป็นแก้วเลยลกระดูกบ า, บางชิ้นก็เป็นบางชิ้นไม่เป็น เป็นส่วนๆวนครูบาอาจารย์มีองค์กระดูกไ้รป ร, ราเป็นก่อนอะไรเงี้ยเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นการค่ะหรือว่าจะแน่นๆนะคะหลวงพ่อแล้วก็พยายามจะรู้สึกตัวอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันความพยายาม อ, อยู่ที่ไหนนะความล้มเหลวอยู่ที่นั่นเราเรียกพยายามเป็นขนาจริงๆโลภอยาก ให้รู้ทันใจที่อยากเขาไปเลยนะใจที่อยากใจก็จะกระสับกระส่ายเป็นธรรมดานะมาอยู่วัดวันแรกวันที่สองเนี่ยยังไงก็ไม่สงบหรอกเพราะาเราติดความฟุ้งมาจากโลกข้างนอกแล้วเราจะไปเข้นมันให้สงบฉับพลันไม่เป็นหรอกเพราะเราสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของเราต้องให้เราเรียนรู้เขาถึงบอกว่าหน้าที่เราคือเรียนรู้ เรียนรู้กายเรียนรู้ใจดูซิเป็นเราจริงเปล่าเราสั่งมันได้จริงเปล่าดูของจริงอย่างนี้นั่งอยู่เนี่ยสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมสั่งว่าอย่าหิวอย่ากระหายน้ําอย่าปวดอืออย่าปวดฉี่สั่งไม่ได้ถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะสบายมากเลยง่วงก็นอนหิวก็กินปวดอือปวดฉี่ก็รีบไปเข้าห้องน้ำอย่ามากลั้นไว้นะ แต่ว่าถ้าขี้เกียจไม่นอนนะถ้าตกะกร้าไม่กินนะออแล้วเข้าห้องน้ำก็อยู่มาแต่ไปร้องเพลงง่วงง่วงก็นอนไม่ใช่ขี้เกียจแล้วนอนหิวก็กินไม่ใช่ตกะกร้าแล้วกินแค่นี้แหละทางร่างกายก็าทางานตามหน้าที่ของมันไปดูแลมันไป ทางจิตใจก็พัฒนามันไปฝึกไปตามธรรมดาไม่รีบร้อนยิงรีบยิงช้าเชื่อไหมพวกรีบมากช้าไม่ได้กินหรอกโลภก็ห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อรีบมาแล้วเล้นแต่เจ็ดขวบนะภาวนาทุกวันเลยภาวนา22ปีเล่นแต่สมาธิสมาธิก็ไม่ได้เสียหายอะไรทุกวันนี้มาสอนพวกเราได้ก็อาศัยกําลังของสมาธินั่นแหละ คอยจับผู้ร้ายเรียนสมาธิไปจับผู้ร้ายผู้ร้ายรู้จักผู้ร้ายไหมกิเลสเราสิ <c oughs> ถ้าเรียนสมาธิไปจับผู้ร้ายเดี๋ยวคนผู้ร้ายก็มาแล้วจับมันรู้ทันมันไปฝึกให้สบายอย่ารีบรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายมันไปยักหน้าไหมจริงๆไม่ต้องรีบหรอกขันมันเริ่มแยกแล้ว มา ส, สัตวารค่ะหลวงพ่ อ, อเป็นมือใหม่สําหรับสายนี้นะคะออขอเสล้วว่าออามาจากสายอื่นรู้สึกว่าตัวเองติดสมถะอยู่ธรรมดาเลยเปลี่ยนจากสายอื่นนะเกือบร้อยละร้อยก็คือติดสมถะบางสํานักบอกว่าไม่ทําสมถะนะแต่ติดสมถะแทบทั้งนั้นเลยบางคนฝึกไม่ทําสมถะฝึกติดสมถะวิเพิง คนดูท้องพองท้องยุบไม่ทําสมถานี่ทําวิปัสนาวิปัสนาอะไรไปเพ่งท้องเพ่งรูปมันก็คือสมถะนะฉนั้นเรียนให้ดีก่อนนะฟังให้รู้เรื่องว่าหลักปฏิบัติจริงๆเป็นไงแล้วไม่ยากถ้าทําผิดนะทําไปเน็ดเหนื่อยลําบากเะนัอนรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆความรู้สึกมันจะเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นมันเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียง เปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสมันเปลี่ยนเมื่อใจคิดให้มันเปลี่ยนไปให้มันกระทบอารมณ์ไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้ น, นที่ใจมีสติรู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลารู้เพื่อจะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้แค่นี้เองไม่รำเอานะกลาวธมสการค่ะลุงรู้สึกว่าจิตไม่มีกาลังอะคะ่ะเหรอ ภาวนาไปเรื่อยมันก็มีเองอะ่ะมันไม่มีกำลังตัวไหนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือกำลังอะไรหรือกำลังภายใน <c oughs> มันรู้สึกมันแบบเหมือนเวลาเราพยายามจะปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะมันเหมือนหาเครื่องอยู่ไม่เจอสมมติว่ า, าไปดูตัวนี้เลยนะไปดูจิตเอาเอาจิตนี่แหละเป็นเครื่องอยู่โทสะมันแทรกเนืองเนืองนะ คนขี้มโมโหดูจิตไปเห็นเดียวก็เดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดห ง, นะงิดเงี้ยดูงเี้ยนะหงุดหงิดมันขึ้นมาเองเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวก็หกงุดหงิดเดี๋ยวก็หายดูงี้ไปเรื่อยๆอ่ะในมัธการของพ่อค่ะเมะื่อวานนี้ยังฟองอยู่เยอะค่ะนั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้วิธีเดินเอาแล้วก็ดีฉลาด <laughs> นั่งไม่ได้ก็เดินแล้วก็เช้านี้ อยู่ๆก็ดกีตัวเองขึ้นมารู้สึกสดใสอยากจะเดินอะไรอย่างเงี้ยอยากเดินรู้ว่าอยากนะแล้วก็เดิน <c oughs> บางคนนะอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมรู้ว่าอยากแล้วแกล้งมันไม่เดินไม่ไม่นั่งนอนเลยไอ้ <c oughs> อย่างงี้ถูกกิเลสหลอกนะ <c oughs> อยากเดินรู้ว่าอยากแล้วก็เดินเนี่ยขี้เกียจเดินรู้ว่าขี้เกียจแล้วก็เดินเนะต้องใช่หลักอย่างนี้นะมีปัญหาอยู่อย่างก็คือไม่ ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะแต่รู้สึกใจจิตตัวเองมันเฉยๆนิ่งไม่รู้สึกเลยอย่าไปกำมันก้อย่าไปกำหนดมันนะเคยฝึกแบบกำหนดกำหนดบ้างไม่ค่ะเขาพยายามเด้ก็คือคือใจมันล็อกนิ่งๆอยู่ใจมันนิ่งไปตัวเนี้ยมันนิ่งเห็นไหมมีตัวอื่นเคลื่อนไหวเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวนะต้องไม่เหลือตัวนี้เลยปล่อยให้มันทํางานตัวนิ่งเนี่ยเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติ อยากปฏิบัตินนะก็เลยเราความรู้สึกขึ้นมานิ่งๆ่งอยู่อันหนึ่ง น, นะต้องใจกล้าๆนะอย่าไปจงใจปฏิบัติเห็นไหมตัวอะไรหายใจมันมันจะเกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลานะเออนะอย่าไปคิดอย่าไปเชื่อมันความสงสัยต่ำหลังความคิดมากนั้นเลยเรารู้สึกเอาอย่าไปคิดเอารู้จักโกรธไหมเออแต่พนี้ความโกรธเกิดรู้ทันรู้จักโลภไหม ต่อไปนี้ความโลบเกิดก็รู้ทันรู้จักร่างกายที่หายใจออกไหมหายใจเข้ารู้จักทั้งนั้น่ะไม่ต้องไปคิดมันนะดูของจริงเลยร่างกายมันหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกมีความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้สึกมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นที่ใจก็รู้สึกนะความดีเกิดขึ้นก็รู้สึกโลภโกรธหลงเกิดก็รู้สึกหานรู้สึกไปได้่อย แล้วต่อไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างที่เรารู้สึกถึงมันนะมันอยู่ชั่วคราวก็หายหมดเลยนะปัญญามันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบเลยเนะมื่อใจมันฟุง้งซ่านเก่งนะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหรือถ้าใช้ลมหายใจก็หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเน้นที่ความรู้สึกตัว ถนะึงจะทำสมาธิถูกชนิดแล้เน้นที่ความสงบแนละ้วทำแล้วก็เคลิมหายใจเข้าก็เคลิมหายใจออกก็เคลิมนะเคลิมตลอดจ่ใช้ไม่ได้หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกสุขขึ้นมาก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็รู้สึกโลภโกรธลงก็รู้สึกรู้สึกออาแค่รู้สึกไม่ไปแทรกแซงนะเอาใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อมีไหม โดยภาพรวมปีหนึ่งทำไมหนูรู้สึกว่ามันติดๆอะไรอยู่อะคะอีพิกลัวสิกลัวว่าไม่เจริญนะหน้าที่เราก็รู้สึกเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยใสเกันไม่ว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยใจเราไม่เหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนแต่รู้ว่ามันรู้สึกว่ามันช้าเนอมันโลภต่างหากถ้าเราไม่โลภมันไม่ช้าหรอกนะอย่างสช่นเราจะไปทุรนะเราจะรีบไปทุระเรามีนัดสิบโมงอะไรเงี้ยจะไปกรุงเทพ รถติดรู้สึกช้านะถ้าเราไม่มีกาหนดเวลานะเราไม่รู้สึกช้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่ช้าช้าเร็วอยู่ที่ความรู้สึกของเรานี่เรารู้สึกช้าเพราะเราอยากได้เร็วอย่าไปรีบสิใจเย็นๆคิดว่าชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเลยเราจะภาวนาจะถวายพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้านะส่วนจะได้มรรคได้ผลเมื่อไหร่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราจิตไม่ใช่เราหรอก อย่าไปห่วงมันมากถ้าถ้าหนูรู้สึกห่วงนี่หนูใช้แบบอธิษฐานแล้วมันจะดีขึ้นอธิษฐานยังไงอ่ะก็คือเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่อยู่ตรงทางจะอธิษฐานขอพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ อ, ด อ, อธิษฐา น, นได้นะเป็นการเตือนตัวเองไม่ให้กําลังใจตัวเองไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆริงนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราภาวนาให้ดีนะเรารู้สึกเหมือนท่านมีชีวิตยอยู่กับเราเลยนะสัมผัสได้เลยนะพลังงานของท่านแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นะท่า แ, แต่องค์แรกลงมาก็ายังอยู่ทั้งนั้นเลยไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะเวลาที่ท่านปรินิพพานท่านทิ้งขันไว้ในโลกท่านก็ทิ้งพลังงานเอาไว้ให้เราไม่ได้เอาไปด้วยหรอก งั้นเราตั้งใจนะอธิษฐานถึงกำหนดจิตถึงมันก็เหมือนเราเฝ้าพระุธเจ้าได้จนบางคนสำคัญผิดว่าเป็นโลคเพราะพุทธเจ้าที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วนะอย่ารีบร้อนว่าจะต้องได้ผลเร็วนะให้มีความสุขที่ได้ปฏิบัติให้มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงั้นเราปฏิบัติได้ทุกวันเราพอใจแล้วมีความสุขแล้วอย่างนี้จะไปเร็ว อย่างคนทำงานนะเทียบกับคนทางานคนหนึ่งมีความสุขในการทำงานเขามีความสุขทั้งเดือนเลยอีกคนหนึ่งไม่ชอบทำงานเลยมีความสุขตอนที่ได้รับเงินเดือนเดือนหนึ่งสุขวันเดียวเองนะงนั้นเหมือนเรานะถ้าเราจะมีความสุขต้องได้มรรคผลนะโอ้ในสังสารวัตนี้มีสี่วันเองฉะนั้นมีความสุขที่ได้ปฏิบัติสินะ มีความสุขหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขยืนเดินนั่งนอนมีความสุขที่เห็นความรู้สึกผ่านมาผ่านไปรู้ไปอย่างสบายๆ ส, ส่วนใจจะแจ่มแจ้งเมื่อไหร่เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราต้องกล้าๆนะใครมีความสุขเฉพาะวันรับเงินเดือนมั้งยกมือสิพวกผู้ายปากแข็งเยอะมากเลยเอ้า กรรมนวัศการค่ะเอส่งกันว่าในรอบหนึ่งปีเจ้าค่ะอค่ะหนูรู้สึกว่าจิตมันขี้โมโหมากอะค่ะแล้วก็มันชอบว่าคนอื่นอะค่ะจิตว่าอย่าให้มันปากว่านะค่ะปากเราปากว่าไหมมีบ้างค่ะต้องรักษาศีลปิดไว้ก่อนเราปิดปากไว้ก่อนสนใจมันว่านะให้เรามีสติรู้ว่ามันว่าได้เองอย่าไปจงใจว่านะถ้าเราตั้งใจไปนึก ว่าเขานะบาปแรงถ้าจิตมันด่าเองนะบาปเล็กน้อยเพราะเราไม่เจตนามันวก็ดูมันว่าไปเรื่อยๆล่ะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันปรุงอกุศลอยู่นะนะั่นแหละเราได้กุศลใหญ่ <Okay. S 1> มีอกุศลเล็กน้อยนะยังมีบาปเล็กน้อยแต่ได้บุญใหญ่ต้องกล้าเสี่ยงนะคล้ายๆเสียกุ้งฝอยแล้วได้ปลากระพงหลวงพ่อมีอะไรแนะนําการเปร็นนะ<ช>นะ ที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะขอบคุณค่ะสังเกตไหมว่มาใจเราไม่เหมือนเดิมค่ะไปส่องกระจกรู้สึกไม่น้าแปลกไหมก็ว่าอยู่ค่ะเออที่หนูฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะขอบคุณค่ะ ท, ทำเอานะมันเหมือนต้นไม้มีลูกออกลูกแล้วเราเลี้ยงต้นไม้ได้ดีต้นไม้มีลูกก็ร อ, อให้มันแก่อย่าเพิ่งไปรีบให้มันสุกเร็วเดีวต้องใช้เวลา กว่ามันจะสุกนะะไปริมให้มันสุกเร็วๆไม่ไม่อร่อยอะ่ะนำ้ำมันสการค่ะอตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะ เ, เรื่องธรร ม, มดาค่ะจะกราบขอเข้ามาหลวงพ่อเนะะี่ยค่ะได้รับทราบรับทราบ เ, เดี๋ยวนี้ขอถูกนะเมื่อก่อนชอบข อ, อ, อโหสิกรรมโหสิกรรมขอไม่ได้นะกรรมเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่า กรรมได้เลยมายกกรรมให้กันไม่ได้ขอขามาได้ถูกค่ะย้อไปมันมั น, ม, นมันมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็รู้สึกละอายมากเลยเที่หลวงพ่อถามว่าใครปฏิบัติมานานแล้วไม่ไ ม, ไม่เปลี่ยนไม่อะไรนะคะไม่จริงหรอกที่ว่าคุณไม่เปลี่ยนอะ่ะรู้สึกตัวไหมว่าเปลี่ยนแล้ว ่ะก็รู้สึกอายมากก็เลยได้ได้นะหลวงพ่อรับการเข้ามานะถทกค่ะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วจะเปลี่ยนเพราะหลวงพ่อมีมนเปลี่ยนใจนะมนเนี่ยของพระพุทธเจ้าพวกเดลถีนะบอกกันเลยว่าอย่าไปเฝ้าพระโคดมนะพระโคดมมีมนเปลี่ยนใจธรรมมาของท่านนี่แหละเปลี่ยนใจของเรานะใจให้เราเคยมืดบอดก็สว่างไสวขึ้นมา เคยจมอยู่ในกองทุกขนะ์นก็ปลอดโปล่งล่งเบาขึ้นมาใจเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะน่หน้าตามันใจเป็นตัวกาหนดนะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเลยในการกำหนดรูปนะคือจิตเนียกจิตตะชรูปรูปนี้เปลี่ยนไปตามจิตสั่งงั้นเวลาจิตเราผ่องใสหน้าเราก็ใสไปด้วยนะออโยมติดนิ่งติดซึมมาเป็นเดือนแล้วค่ะอย่าไปกังวลสินะ ใช้ปัญญาดูเข้าไปเลยว่าเออบังคับไม่ได้ฮะจริงอย่างที่หลวงพ่อฟรอมมูธบอกสั่งไม่ได้หรอกสั่งได้ไหมไม่ได้อยากสั่งไหมอยากอยากให้หายนิ่งไงไ เ, ออเราไม่ได้รู้อย่างที่เป็นหรอกแต่เรากำลังอยากอยู่ให้รู้ทันใจที่อยากจิตมันจะดื้อแล้วก็ใจร้อนด้วยค่ะออจิตมันดื้อนะไม่ใช่เราดือ้อใจมันร้อนนะไม่ใช่เราร้อน จิตใจมันเป็นของมันเองดูไปสิมันเป็นของมันเองแล้วก็เออคือโอกาสที่จะมากราบหลวงพ่อจะน้อยลงนะคะจะขอธรรมะจะให้หมอกระจริตนะคะที่ทําอยู่มันก็เหมาะอยู่แล้วนะไปค่อยๆสังเกตเอานะกิเลสอะไรเกิดก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่แทรกแซงเขาหรอกสงสัยอะไรก็ไปฟังซีดีมีทั้งหมดอะ กลับนพัศการหลวงพ่อค่ะจะรบวนหลวงพ่อนะคะช่วยเมตตาให้ให้ธรรมะนะคะเกี่ยวกับตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองอะค่ะที่มันการมีการยุยยุทธสกกันแบ่งกันเป็นส่งส สองฝ่ายอะค่ะคือตอนนี้จริงๆหลวงพ่อเนี่ยก็ให้ธรรมะมาตั้งแต่เช้าแล้วก็คื อ, อ ม, มีกิเลสอะไรก็ให้รู้ทันนะคะ อ, อยากจะถามหลวงพ่อว่าจะมีอะไรเสริมให้พวกเราได้ได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ค่ะไม่ยากหรอกไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็พ้นนะไม่มีอะไรครงที่หรอกโลกมันก็เป็นอย่างนี้แลหละหลวงพ่อเนี่ยเป็นนักศึกษารุ่น14ตุลานะนักเดินขบวนอาชีพเลย เขาเดินข บ, บวนเราต้องไปเดินด้วยปะท้วงต้องปะท้วงด้วยสู้กับรัฐบาลรัฐบาลมันทำอะไรบ้างมันเผด็จการทุกรูปแบบทำอย่างโน้นะทำอย่าง น, น, างนี้มันหาผลประโยชน์อย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้ประโยชน์ที่เคยด่ารัฐบาลยุคโน้นรัฐบาลยุค น, นี้ก็รับเหมือนกันนะ40ปีมานี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนนะนะเรื่องธรรมดาโลกเป็นอย่างนี้แหละค่ะ ข, ขอบคุณค่ะหาจะเจริญเมตตาไว้สิ S <S <S เขาก็มนุษย์นะน่าสงสารเสื้อแดงก็น่าสงสารนะมันมีความทุกข์พวกไม่ชอบเสื้อแดงก็น่าสงสารนะก็ ม, มีความทุกข์อีกนะแต่ละคนน่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันแล้วแต่ละคนก็มีความทุกข์แต่ละคนก็ดิ้นอยากจะพ้นทุกขนะ์ก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วดีต่างคนต่างดิ้นนี่ความคิดความเห็นมันไม่เหมือนกันแลมันเลยดิ้นมาชนกัน ช่วยไม่ได้แล้โลกก็เป็นอย่างเนี้กราบขอบพระคุณค่ะค่ะนวัช ก, การหลวงพ่อค่ะก็ยังรู้ตัวว่ายังอินกับเรื่องข้างนอกเยอะอะค่ะแต่ที่จะทำหลวงพ่อคือเมื่อก่อนถ้าจิตนิ่งหน่อยมันจะเห็นภาวะสั่นสะเทือนไหวๆอยู่กลางอกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าดูเข้าไปแล้วมันเหมือนวูบลงไปแล้วมันก็จะเหมือนคนลุกอย่างนี้ค่ะแล้วมันมันเป็นมาสักพักตอนนั้นเราดูเราไปแล้วมันเกิดปิติ ตรงที่เราเห็นมันไหวๆเนี่ยเราเดินปัญญาตอนนี้พอเราชนานาญขึ้นพอเราจงใจไปดูนะมันกลายเป็นเพ่งแต่เพ่ ง, พงได้ถูกส่วนเพ่งได้พอดีไม่รุนแรง<า>สมาธิก็เกิดปิติก็เกิด<า>ก็รู้ว่าเราทำสมถะอยู่<า>แล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆก็ดูร่างกายไปดูกายบ่อยๆเดินปัญญาต่อ คือถ้ามันลงไปแสดงว่ามันเริ่มเข้าสมาธิแล้ว ใ, <ช>ใช่ไหมคะจิตมันรวมลงเข้าสมาธิน ะ, ะสมาธิก็เข้าได้ถ้าต้องการพักผ่อนแต่ถ้าภาวนาทีไรก็เข้าตรงนี้ทุกทีนะเข้าไปนิดหน่อยออกมาแล้วดูร่างกายเลยเดินปัญญาเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปเลยค่ ะ, <น>ะขอบคุณค่ะพวกเราภาวนาเก่งๆขึ้นเยอะเลยนะที่ส่งกันบ้านมาเนี่ยแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลง ที่น่าพอใจต้องมีนิยะมีคาต่อนะเพราะจริงๆทุกคนเปลี่ยนแปลงแต่ว่า้าเรามหาธนาเราเปลี่ยนแปลงแบบน่าพอใจนะไม่เคยรู้สึกตัวก็รู้สึกขึ้นมานะไม่มีศีลก็มีศีลขึ้นมาเวลาจะทำผิดศีลก็ละอายใจนะไม่อยากทำอนะไรเงี้ยนี่เป็นพัฒนาการทั้งหมดนะ ใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนี่ก็เป็นพัฒนาการไม่เคยเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันนะก็เห็นนะนี่ก็เป็นพัฒนาการนะเมื่อเปลี่ยนค่อยฝึกของเราความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในสุดใจก็จะพ้นจากโลกนะคําว่าโลกก็คือร่างกายจิตใจเรานี่นิยามคําว่าโลกที่ว่าโล ก, กุตตะละเหนือโลกเหนือโลกไม่ใช่เหนือโลกแบบเป็นดาวธงดาวเทียมนะ สีที่เรียกว่าโลกก็คือร่างกายที่ยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกมีสัญญามีใจคลองอยู่นะถ้าไม่มีจิตใจอยู่ก็ไม่เรียกว่าร่างกายแล้วก็เป็นศพเป็นอะไรเป็นก้อนดินไปสีที่เรียกว่าโลกก็คือกายกับใจของเรานี่เองนะงั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจวันหนึ่งใจเราอยู่เหนือโลกใจจะไม่เข้าไปจับ ร่างกายไม่เข้าไปจับอยู่ที่ใจนะใจพากออกจากธาตุจากขันมีความสุขที่สุดเลยนะงั้นเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าเป็นโล ก, กวิทูผู้รู้โลกแจ่มแจ้งนะโลกสําคัญที่สุดก็คือรูปนามกาใจนี่งถ้าแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ใจของเราจะเป็นพระพุทธเจ้าใจเราจะเป็นพุทธะขึ้นมาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีกิเลสนะงั้นเราค่อยๆฝึกใจของเราตามพระพุทธเจ้าท่านไป ดูกายดูใจเขาทางานไปไ อ, โ อ, ไอนะ้โลกภายนอกไม่สําคัญหรอกนะโลกภายนอกเราอาศัยอยู่โชว่วคราวนะมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะแต่งานหลักของเราจริงๆอะ่ะคืองานพัฒนาใจไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ส่วนงานอย่างอื่นนะั้นเป็นงานเพื่อส่งเคราะห์โลกหรอกนะอย่างบางคนก็บอกว่าถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายบ้านเมืองมีแต่คนโกง ต่อไปลูกหลานจะอยู่ยังไงเนี่ยสงเคราะห์โลกแล้วไปช่วยกันรักษาบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับธรรมะหรอกงานหลักของเราก็คือพัฒนาใจของเราให้พ้นทุกข์ให้ได้เมื่อไม่นานมานี้จิตได้สอนให้เห็นว่ากายไม่ใช่ของตนเป็นอะไรก็ไม่รู้มมไม่สามารถที่จะให้ความหมายไดถ้ถูกถูก แต่หลังจากนั้นต่อมาไม่นานเป็นสภาวะที่โยมอยากจะเรียนถามมากเลยค่ะคือโดยปกติโยมจะคุยกับนายคนเดิมเรื่องเดิมสภาวะเดิมแต่วันนั้นคือเกิดเหตุการณ์ที่โกรธแต่ไม่โกรธนะคะแต่อธิบายไม่ได้เพื่อนที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกันบอกว่าโยมทำธรสมถะน้อยไปโยมเลยจักจะมาเรียนถามหลวงพ่อนะคะเว่หนะั้นไม่ใช่เรื่องของสมถะนะเป็นเรื่องของการเจริญปัญญา มันเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงนะว่าใจยังไม่ใช่เราเลยนะความโกรธไม่ใช่เราหรอมันเป็นไปเองนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปใจมันฉลาดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละ <Huh. S 1> เห็นโกรธเหมือนไม่โกรธเลยนะเป็นสภาวะงั้นมันเป็นแค่สภาวะทอานี้ยายน่าใจมันมีปัญญาแต่ว่ามันเป็นเองอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเกิดอีก ถ้าเราอยากให้มันเกิดอีกมันจะไม่เกิดการหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกค่ะฟังซีดีมาห้าปีแล้วค่ะก็วิธีการปฏิบัติที่หนูทำอยู่ก็คือพยายามตามรู้ตามดูระหว่างวันแล้วก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบประมาณ 15-20 นาทีทุกวันน ะ, นะคะค่ะ แต่หลังๆมันก็ย่อหย่อนนิดนึงอะคะออ่ะก็วิธีการปฏิบัติในรูปแบบของหนูอะคะ่ะคือพอดีหนูเป็นโรคปวดหลัง อ, อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้นั่งก็เลยใช้วิธีนอนแต่ว่าไม่หลับนะคะก็คือนอนสมาธิได้ได้ทุกอิดียบาตระค่ะแล้วก็ดูขึ้นหนูจริงๆเวลาปฏิบัติก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่มันจเจริญเจริญตอนนี้มันค่อนข้างเสื่อมนิดนึงนะคะแต่ก่อนนี้ที่มันรู้สึกว่ามันจเจริญเจริญแบบรู้อยู่บ่อยๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีอาการที่เหมือนเหมือนอย่างที่พี่คนเมื่อกี้เป็นก็คือว่ามันรู้สึกซาบซาไปทั้งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลิกทําแบบนั้นไปเพราะว่ากลัวมันติดเพง่งค่ะไ ม, <c ười> ไม่ไม่ทราบว่าคือใช่ใช่ไหมคะแบบนั้นคือติดเพง่งมันเป็นสมาธิสมรรคค่ะแต่ว่าคือจริงๆหนูเนี่ยพื้นฐานหนูคิดว่าสองฝั่งระหว่างเพ่งกับ หลงเนี่ยหนูคิดว่าหนูเป็นคนหลงเยอะกว่าฟงซ่าเลยนะเพราะงั้นหนูไม่ต้องไปกลัวเรื่องเพ่งนะก็คือหนูไม่ค่อยเพ่งหรอกก็พยายามทําสมถะมากกว่านี้ใช่ไหมคะอยากจะขอทําสมถะทําไปสบายๆนะถ้าทํำระหวังว่าจะสงบมันจะไม่สงบเหมือนอยากหลับมันจะไม่หลับนอนเล่นแล้วมันหลับทําสมาธิไปนะทําสบายๆจิตก็สงบอยากสงบจะไม่สงบ อยากจะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อค่ะรู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้ความรู้สึกอะความรู้สึกต่างๆมาแล้วไปมาแล้วไปรู้บ่อยๆนะคะถ้าวันไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูที่ฝึกมาก็ใช้ได้น ะ, ะไม่ใช่เสืยอหายอะไรหรอกค่ะดีขอบคุณค่ะ คนสุดท้ายครับมรสการหลวงพ่อครับก็จะขอราย ง, งานผลการปฏิบัตินิดหนึ่งครับก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปกติก็จะนน่าจะเป็นการเจริญสติในในลักษณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยนะฮะก็คือพอเวลาเห็นรูปที่พอใจนี่นะก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันกระโจด้ล่มเข้าไปคลุกกั บ, <อ> ก, บกิเลสเป็น อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเดียวเลยกันด้อย่างนั้นใช่ได้ก็จะเห็นความพอใจนะะพอช่วงที่จะรับรับตาเนี่ยนะฮะก็คือมาแล้วก็จะเห็นความอะไรอวร์ที่มันเกิดขึ้นในจิตนะฮะพอรับตาไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสัญญามันขึ้นมาทํางานอืถูกนะฮะมันก็จะพยายามที่จะจดจําว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับก็ก็จะใช้ชีวิตแล้วก็จะดํารงชีวิตวก็จะ จเจริญสติในในลักษณะตายเห็รูปแบบนี้ใช่ได้นะแต่ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะก็คือพอตกเย็นทานอาหารนี่ก็พอรู้ตัวก็อิ่มแล้วฮะ <laughs> แล้วก็ <laughs> ดูรูปอาหารไม่ทัน <laughs> หลังจากนั้นหลัพอหลังจาก อ, าอิ่มแล้วเนี่ย ก, ก่อนจะเข้านอนเนี่ยนะก็จะต้องไปหาเปิดตู้เย็นหาของ <laughs> ทานอีกทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะก็ทานทานอาหารเย็นเสร็จนะก็อ <laughs> จะไปเปิดตู้เย็นเป็นเหมือนเด็งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงจังหวะที่ไปเปิดเนี่ยมันไปเห็นจิตที่มันถูกบีบคั้น mm hmm. นะฮะก็การไปเปิดตู้เย็นก็ไปเปิดแค่รับประทานน้ําอะไรแบบนี้ mm hmm. แล้วก็แต่สิ่งที่น่าตะจรรันเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะไปะในลักษณะที่ตาที่เห็นรูปแต่ก่อนที่เราที่จิตมันกระโจนถลําเข้าไปเนี่ยนะมันจะเป็นเพียงแค่การกระเพื่อมไหวขึ้นมา mm hmm. นะฮะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ความอะไรอวร์เนี่ย ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่การกับเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ส่วนตัวสัญญาเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่ามันทำงานอยู่ห่างๆมากเลยทีนี้ตรงนี้ก็เลยเกิดความเข้าใจว่าอ๋อที่จริงแล้วนี่ถ้าถ้าไม่เกิดปัญญานี่มันมันมล้าอะไรไม่ได้จริงไม่ได้นะล้าด้วยการข่มเดี๋ยวมันก็มาใหม่ถ้ามันเป็นความเข้าใจแล้วมันจะล้างไปเลยพอปัญญามันเกิดนะใจมันจะเปลี่ยนไป ยิ่งปัญญาแก่รอบขึ้นมาใจมีความสุขนะครับใจโปร่งสบายครับถัดจากนั้นเนี่ยก็ใจก็จะโปร่งเบาสบายเลยคระบ แ, <ล>แต่ว่าปัญญาเกิดครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะพอไอ้ความโปร่งลงเบานี่โอ๊ยมันเกิดตั้งแต่เช้ายันบ่ายนี่มันมันเหมือนกับไอ้ที่เขาบอกว่าสุขสุขแทบตายนี่มันน่าจะเป็นแบบเนี้ยังยัง ยังไม่ถึงถ้าเจอนั้นน่าแทบตายกว่านี้อีกทีนี้มันมันมีอีกอันหนึ่งก็เมื่อประมาณสักเดือนกว่ า, วาเนี่ยมันเกิด เ, เกิดภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือคือโทสะที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาแบบแบบอาจจะเรียกว่าแบบเหมือนกับสมัยก่อนที่มันเกิดขึ้นมาแบบสุดขีดเลยนะฮะเจริญเมตตาไว้นะทีนี้อ่ามันก็แบบอะไรตามเหมือนเหมือนกับว่า มันไม่ได้ไกดข่มะนะฮะก็คือสติก็ตามรู้ก็รู้ทันมั่งไมมรู้ไม่ทันมั่งอะไรเนี่ยนะคือแต่ก่อนเนี่ยพอเราทำงานแล้วเนี่ยนะพอวางวางงานปุ๊บเนี่ยนะจิตนี่จะเข้ามาจับลมหายใจบ้างนะฮะหรือก็เข้ามาเกิดปิติอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพอช่วงที่เกิดโทสะนั้นพอวางงานปุ๊บเนี่ยโทสะก็ามาเต็มที่เลยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ยกระแส โทสะนะมันแรงนะในบ้านในเมืองอนะ่ะที่บางคนนะไปเอาข้างนอกเข้ามาก็มนะีมีการกระตุ้นกิเลสให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเยอะแยะเลยถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็ใช้วิธีเจริญเมตตาไปนะตัดกระแสที่ไม่ดีตัวนี้นะทีนี้พอล้วก็กแบบตามรู้ตามดูไปเนี่ ย, ยก็เกิดอยู่มาสักสามวันได้บั้งเนี่ยติดต่อเนี้ย ตื่นขึ้นมาตอนดึกก็แต่ก่อนตื่นขึ้นมานะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าเออมากุศลเกิดแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็โทรสาก็ตามมาเลยเออนะบางทีก็ไม่ใช่ของเราหรอกนะ <c oughs> เวลาเราภาวนาดีๆนะพวกมานมันก็แกล้งกัน <c oughs> ปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกมาครอบให้ใจเราวุ่นวายงั้นตัวนี้ให้เราจเจริญเมตตาไว้ <c oughs> ทีนี้พอบทมันจะหายมันมันอย่างนี้ฮะหลวงพ่อครับ ก็ขณะขับรถกลับบ้านเนี่ยนะี่ยมันมันมันไปเห็นว่าจิตที่เป็นโทสะเนี่ยนะเพราะมันมันดับลงไปนะฮะแล้วก็มันก็มีช่องว่างนิดนึงใช่แล้วมันจะเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมา เ, ออเนี่ยเป็นถ้าอย่างนั้ น, เ, นเรียกว่าเราสู้ด้วยวิปัสสนาเป็นเป็นจิตดวงที่ที่ที่เคยเกิดที่เป็นปิติเป็นอะไรตรงนี้นะฮะเสร็จ<ๆ>แล้วพอพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนยีมันเหมือนจิตมันอุทานมากบอกว่าเฮ้ยมันข้ามพพข้ามชาติจนแบบนี้เลยเนี่ย ตร ง, งนี้มันเป็นมันเป็นปัญญาหรือว่ามันเป็นัเป็นปัญญาแต่มันเพิ่งเปมันเป็นวิปัสสนานนะยังไม่ใช่ตัวมรรคหรอกอยังไม่ได้ข้ามภพชาติตรงนี้ตรงนี้เราเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นเราจะพาะว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวเราจะเห็นได้ว่าจิตมันเกิดดับได้ตัวนี้สันตติเรียกว่าสันตติมันขาด ไม่นขาดออกจากกันมันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วการที่เห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นเราทําวิปัสสนาแท้ๆแล้วแล้วจิตเดินวิปัสสนาแท้ๆนั้นก็ใช้เวลาไม่มากหรอกค่อยฝึกไปแล้วถ้าผมจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยผมจะทําไงางรู้ทันกิเลสเอากิเลสตัวหนึ่งที่แรงนะคือคือการยึดในความคิดความเห็นนะตัวนี้แรงนะค่อยรู้ทันมันแล้วกิเลสตัวไหนมารู้ทันมันไปเรื่อยๆ ถ้าตัวไหนเรารู้ทันนะมันก็จะสิ้นฤทธิ์ไปเหมือนในตัวโทษะนะั่นแหละวันนี้เท่านี้นะ